ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาประรบกันเรื่องความเป็นทศกิจธาธามีตอนนี้ระยะตีขาช้างขาแรกก็ได้แก่ขาราคะการยติอย่างนี้องค์สมเด็จตุสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ใช้กายยกตารกสติกรรมฐาน ร่วมกับอาุพกรรมฐานพิจารณากายคนพิจารณากายสัตว์พิจารณาวัตถุว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นขอสกปรกหรือว่าเป็นขอสะอาดจงอย่าลืมว่าตอนนี้ให้ใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้สัญญา ทำมาสัญญาแปลว่าความจําเขาบอกว่าสกปรกก็สกปรกกับเขาด้วยเขาบอกว่าสะอาดก็สะอาดกับเขาด้วยเลยไม่รู้ความจริงแบบนี้ใช้ไม่ได้ต้องใช้ปัญญาจริงๆว่าลองเอาวาระมาจับดูที่ว่ามันสะอาดหรือสกปรกลองบ้วนน้ำลายใส่มือแล้วก็กลับกลืนกิงเข้าใบใหม่ทำได้ไหม อ้าสะอาดจริงมันก็ต้องเกินจริงเข้าไปได้อุจาระที่ถ่ายออกมาแล้วเนื้อแท้จริงๆก็คืออาหารที่มีรสเลิศที่เรามีความปรารถนามีความต้องการก่อนจะกินก่อนจะบริโภคเราเลือกแล้วเลย อ, อีกเึ็นของที่ชอบใจแต่ส่วนนี้มันเป็นกากเราจะทิ้งเสียก็เสียได้เอามาบริโภคใหม่ยอดหมดจะมีความสิ้นเปลืองน้อยลงทําได้ไหม ถ้าไม่ได้ถ้าทำไม่ได้มาสะอาดถ้ามันสกปรกน้ําปัสสาวะที่เราถ่ายออกมาแล้วถ้าความจริงก่อนเจ็บริโภคน้ําแล้วก็เลือกแล้วว่าน้ํานี้ต้องสะอาดจริงๆไม่มีเชื้อโรคขณะที่เราปัสสาวะออกมาแล้วเราจะกลับเกลิงกลิงเข้าไปอีกได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็ใช้ได้ ถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าสกปรกถ้ากินไม่ได้ก็แสดงสะอาดเนื้อแท้จริงๆแล้วก็กลืงจริงกลับไปไม่ได้นี่มันแนะนำกันนิดเดียวให้ใช้ปัญญาพิจรารณากันเองว่าหาดูความสะอาดในร่างกายของคนละสัติ์หาความสะอาดร่างกายของ สัตว์และบุคคลดังหลายที่มีอยู่แล้วดูความทรงตัวว่าร่างกายของคนสะอาดและสุปกปรกก็มีการทรงตัวไหมมองไปดูจริงๆก็ไม่มีการทรงตัวมีแต่ความหวิวแต่ความแห้งความสุดความโทมแล้วก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายของคนและสัตว์ เป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นที่มาของความทุกข์จริงๆร่างกายของเราคนเดียวแต่ไดเกิดมาเราเลี้ยงมันมาตั้งแต่วันเกิดจนกรทั้งถึงบัดนี้วันไหนบ้างที่เราต้องจะมีโอกาสหยุดเลี้ยงมันมีโอกาสไหมถ้าหากจริงๆจริงๆกันจริ ง, ร ง, ร ง, ร ง, รงๆก็จะหามีโอกาสที่หยุดเลี้ยงมันไม่ได้เลยทั้งนี้พร่อะไร่ก็รู้ว่า มันจะต้องการอาหารอยู่ตลอดเวลาอาหารคือคำข้าวหรือว่าอาหารที่บริโภค ก, กับไปเพื่อความเป็นอยู่ของชีวิตอาหารของจิตที่มีความปรารถนาในความสวยสดงงามใน้ด้คืออาภรณ์อาหารของการผัสสะคือการต้องการมีคู่ครองมีการสัมผัสระหว่างเพศ รวมความเสาสอมทั้งหลายเหล่านี้มันต้องการไม่มีความหยุดความยอนความเหน็ดเหนื่อยเนื่องจการงานที่เกิดขึ้นกับเราก็ส่วนใหญ่พวกพวกนี้เป็นสำคัญนอกานั้นมันยังมีความซุดโสมมีอาการไม่ทรงตัวแล้วก็ในที่สุดความป่วยไข้ไม่สมบายการบีบคั้นมันก็เกิดขึ้นผลสุดท้ายจริงๆมันก็ตาย เมื่อพิจรารณากันดูแลเด่ว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายเขาบางคนอื่นก็นดีมีสภาพผนเพี้ยหลอกแล้รักเกือบตายปรารถนาเกือบตายแต่ทุกสิ่ ง, งทุกอย่างเต็มไปด้วยความสกปรกถ้าคิดจะให้ดววียยายยาจะมีจะมีแต่ความเสียสิเอียนไม่อยากจะแตะต้องสิ่งกันลกันอีกคิดให้มันซึ้งให้มันถึงจริงๆ มองไปในตาแสมผัดเครื่อง อ, อ่อนภาพผ่อนภายนอกแล้วให้มันทะลุเข้าไปถึงหนังทะลุหนังไปถึงเนื้อทะลุเนื้อเข้าไปถึงข้างในตับไตไส้ปอดตัวนี้หาความจริงให้พบว่าตรงไหนมันสะอาดแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาหาความจริงว่าร่างกายนี้มีการทรงตัวมันเที่ยงไหมก็เห็นว่ามันไม่เที่ยง มันเป็สุขหือเป็นทุกข์ในเมืเ่อ ม, ม, ม, มันไม่เที่ยงปัญญา ส, สามๆก็พอคิดได้ว่าร่างกายมันเป็นสภาวะเต็มไปด้วยความทุกข์เราต้องเดือดร้อนจัดการหาทํางานหาทรัพย์สินมา ก, ก็เพราะร่างกายเป็นสําคัญต้องหาบ้านให้อยู่ต้องหาอู่ให้นอนทุกสิ่งทุกอย่างต้องหาให้ทั้งหมดและในที่สุดมันส่งตัวไหม่นะ มันก็สลายตัวมันตายเมื่อความจริงปรากฏอย่างนี้แล้วเรายัางจะโมหลงไหลฝ่ายฝันในการแสวงหาคู่ครองอีกหรือยังจะมีความชุ่มช่ำไม่ใชความปรารถนาอีกหรืออะไรบ้างในระหว่างที่เรามีคู่ครองแล้วมันเป็นปัจจัยของความสุข ความปรารถนาในความรักกลมรักสิ่งไรการเป็นความสุขหรือว่ามันบรรดายความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นนั่งนึกดูให้ดีอยู่คนเดียวไปไหนได้ไปอิสระอยู่สองคนก็เหมือนก็หาหนายมาบังคับเราแต่พอมีลูกมีเจ้าความทุกข์มันก็เกิดมากขึ้น ถ้าลูกดีก็ดีถ้าลูกประเภทเห็นว่าพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เขาเกิดความช้ำใจมันก็ยังมีขึ้นเพราะลูกอากตันโูไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ตัวอย่างปัจจุบันเห็นถมไปดีการทำลายกำลังของช้างขาที่หนึ่งเริ่มน้าของราคะท่านทำลายแบบนี้ ทำให้ท่านที่ปฏิบัติเพื่อพระสกิทาคามีมีจิตสลดตกลงแต่ยังไม่หมดยังมีความเมาอยู่บ้างแต่เมาน้อยยังมีความหิวยังมีความกระหายในกามารมณ์แต่ก็หิวน้อยกระหายน้อยมีความรังเกียจมากแต่ว่าถ้าจิตละเอียดถึงขั้นสกิทาคามีเต็มที่อารมณ์ประเภทนี้จะไม่เกิดเมื่อประชันหน้ากัน จะมีมาบ้างเพียงระยะที่จิตสงดพอแป็นิอนุสัยเท่านั้นจะมีสภาพเหมือนคนตายด้านไม่มีความรู้สึกในเพศแต่ไม่ใช่ไม่รู้สึกเสียเลยมีความรู้สึกเหมือนกันแต่มีการสิสิเอียนมากมีการลังเกียมากความรู้สึกเกิดขึ้นฉับสันเดี๋ยวก็หายไปใจสลด เห็นเครื่องประดับบรรดาพรสวยสดงามวันสดรงดีตามองปั้บจิตก็กรู้สึกว่าชมชมนิดหนึ่งในขณะเดียวกันจิตตกทันทีว่าโอหนอนนิน่งเศร้าศพเดินมาแล้วเดีนน๋ยนี้ที่พูดในฟังนี้พูดแตให้ฟังเแียเพียงหัวข้อ ใ, ใช้ปัญญาพิจารณากันเองนี่เราก็มาตีช้างขาที่สองนี่ขาช้างขาที่หนึ่งเคลียร์ไปแล้วช้างขาที่สองคือความโลภอยากรวย ก็มานั่งดูคนที่เขารวยเวลาตายเขาแบกเอาทรัพย์สินนั้นมาสบัตดทั้งหลายไปเมืองผีได้ไหมท่านเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งหลายท่านที่มีอำนาจราชศักทั้งหลายเวลาตายท่านแบกอะไรไปได้บ้างทรัพย์สินของท่านที่หามาได้ด้วยความสุดจริตบ้างด้วยการพุชเจริตบ้าง ท่านไม่ไม่มีท่านใดเลยที่จะสามารถแบกทรัพย์สินไปไ ป, ไปสู่โลกเบื้องหน้าได้่อไปใช้เมืองผีนั้นไม่เคยมีใครนํามันไปได้เลยในเมื่อท่านไม่มีโอกาสจะนําทรัพย์สินทั้งหลายส่วนนี้ไปได้เราละ่ะแล้วคนอย่างเราจะนําไปได้สักเพีงยงใดก็มันนั่งมองเห็นความเป็นจริงว่าโอนเนอะ นี่เราจะนั่งเดเกียรติกายอยากปรารถนาความร่ำรวยไปเพียงใด <c oughs> นี่เราพูดกันถึงความเป็นพระอาดีตเจ้านะเ <c oughs> พราะได้โปรดทราบจะคิดว่าพระพุทธศาสนาสอนให้คนไม่ไม่มีความขยันหมั่นเพียรในด้านของปกติชนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีความขยันหมั่นเพียร และนี่ความเป็นพระอริยเจ้าไม่ใช่ปุถุชนท่านหลายที่จะเข้าสู่ความเป็นพระอัสสากิธาคามีมองเห็นว่าการได้เกียรติกายแสวงหารลาบมากเกินไปนี้เป็นการเลยเกินไปกําลังใจลดลงปรารถนาความรวยน้อยลงยังรวยอยู่แต่ว่าน้อยลงน้อยตรงไหนหากินพอกินพอใช้ ค้าขายเคยกำไรมากลดเหลือกำไรน้อยลงเอาเงินให้กู้เคยดอกเบีย้ยเต็มาตราตอนนี้ลดดอกเบีย้ยลงเป็นอันว่าความปรารถนาในความร่ำรวยลดลงไม่ใช่หมดไปเลยยังทําอยู่แต่ว่าทําไม่ถึงกับมีการตะเกียจตะกายเกินไปไม่ทรมานกายเกินไป เรามีกำลังใจทราบอยู่แล้วว่าเจ้านี้ไม่สามารถจะตามเบาไปเบื้องหน้าได้ในการที่จะทำลายความโลภให้มันบรรเทาลงก็อาศัยพรมีหารสี่คือเมตตาความรักกรุณาความสงสารมีการแบ่งเบาภาระทรัพย์สินที่เรามีอยู่ให้เป็นฐานเป็นการเจือจานให้บุคคลและสัตว์อื่นมีความสุขตามสมควร <c oughs> ไม่ใช่ว่ามีเท่าไรให้หมดเท่านั้นเอ ต, ตอนนี้การบริจาคทานมักจะมากขึ้นมีความชุ่มชื่นในโอกาสที่มีได้มีเวลาที่ได้สงเคราะห์บุคคลและสัตว์ให้มีความสุขเห็นทรัพย์สมบัติทั้งหลายมีค่าแต่ถ้าว่าอยากต้องการค่ามากยิ่งไปกว่านั้นเอาสิ่งที่เป็นวัตถุมาแลกกับสิ่งที่เป็นนามธรรมาคือความดี มีเป็นการบรรเทาคือทำลายช่างขาที่สองให้ให้อ่อนกำลังลงเมื่อจิตใจมีความรักมีความทงสารมากขึ้นเกื่อนโกนมากขึ้นามมากนารโลภโมโทสัญญายจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นขอ ง, ของตนมันก็ไม่มีในการได้เกียรติกายหาทรัพย์ด้วสัมมาสัมมาเอาเรื่องวันด้งความสุจริตเพราะสัมมาชีวะ ก็หาแต่ได้ว่าหาพอควรไม่ได้เกลียดกายเกินไปไม่หวังกําไรมากเกินไปไม่หวังดอกเบี้ยมากเกินไปทําไปเพื่อความทรงตัวอยให้อยู่เป็นสุขในฐานะที่เป็นคนเท่านั้นไม่เห็นว่าช้างขาช้างขาที่สองที่เราจะทําลายให้เพลียลงไปก็ได้อนาจเมตตาความรักกรุณาความสงสาร อาศัยการให้ทานเป็นการทำลายความโลภความทะเยอทะยานแทนที่จะทะเยอทะยานได้เกลียดกายหายมากแสนมากกลับทะเยอทะยานต้องการสงเคราะห์ให้คคลอื่นสัตว์อื่นมีความสุขอันนี้เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งให้ช้างขาขาช้างที่สองเพลียลงเปลียนเปลียตรงไหนในตอนก่อนที่ยังไม่เพลียนเขาบอกว่าทองมีที่ไหน เพชรมีที่ไหนพลอยมีที่ไหนเงินมีที่ไหนเดินไวเดินเร็วก้าวยาวพรก้าวเขาถึงความเป็นพระสีธาคามีชะกก้าวช้าๆเดิน ช, าชา้นนาๆก้าวสั้นๆก็คิดว่าชีวิตพวกเรานี่มันมีความทรงตัวอยู่ไม่กี่วันถ้าเยอทยานไปเขาเท่านั้นแหละตายก็แบกไปไม่ได้ แต่เวลาที่มีชีวิตอยู่ต้องหากินเป็นของธรรมดาเป็นอนันว่าขาช่างขาที่สองเคลียใบขางแล้วนี่มาเล่นขาช่างขาที่สามได้แก่ความเกับความจำบาดคิดที่จะฆ่าเก่งฆ่าบุคคลอื่นให้พี่นี่นดไปอารมณ์อย่างนี้พระโสดาบันยังมีอยู่แต่ได้ว่าไม่ละเมิด ขังเสือร้ายไว้ในกรงเสร็จแล้วด้วยกําลังเขาศีลมาถึงพระศรีาคามีถ้าเปรียบว่ากิเลตัวนี้เป็นเสือเสือที่อยู่ในกรงก็ตีเสือให้เปลี่ยยังตีเสือไม่ให้ตายทีแรกมันโดดเก่งนะักก็ตีแข้งตีขาห้ามไให้โดดมันจะไปได้ก็แค่เดินถ้าจะกล่าวถึงกําลังขาของช้าง มันเคยก้าวไวเดินแรงก็ตีมาเส้พับไปพนะับน่ะยังไม่หักให้มันเปลี่ยก้าวช้าลงไปก้าวแล้วก็ยั้งเร็วถ้าขามันขย objc เหยกขย o b j เย ก, ยกมันเดินไม่ไหวก้าวไปไกลมันก็ก้าวไม่ได้มันต้องหยุดข้ อ, อ น, นี้มีประมาณชั้นใดกําลังใจของท่านที่ปฏิบัติเข้าถึงพระสิกิทาชามี ตัวนี้ต้องทำลายด้วยเพราะมีหานสี่เป็นที่เสร็จพมีหานสี่ตัวแรกเขามาโสดาบันเห็นใจชาวบ้านชาวเมืองเป็นสําคัญเห็นว่าเขากับเรารักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันมีปรารถนาในความรักในความเ ก, กลืกูดแต่ว่าอารมณ์ใจที่ไม่พอใจยังมีกําลังมากอาจจะคขังอยู่นานเป็นวันเป็นคืนก็ได้ เมื่อลมใจเข้าถึงพระสกิทาคามีก็มีอภัยทานเข้ามาแทนที่มีพรมิหารศีลด้วยแล้วก็มีอภัยทานด้วยเมื่อใครเขาทาให้โกรธความโกรธก็รู้สึกมีขึ้นเหมือนกันแต่ก็มาคิดได้ว่าคนที่เขาเราทําให้เราโกรธนั้นแต่ความจริงเจตนาร้ายเขาไม่มี มันเป็นความเข้าใจผิดของบุคคลคนลนั้นที่คิดว่าการกระทำอย่างนี้เป็นของดีที่ทำอย่างนั้นเพื่ออาการหลงผิดก็ว่านั่งในกวัวเออเรากับเขาที่มันก็เหมือนกันนะเราทำอะไรมาต่างๆในการก่อนเราก็คิดว่าเราจะมีความสุขวราเหตุนี้ทำกรรมที่เป็นกรรมที่ไม่ดีก็ปรากฏว่าคิดว่าเป็นของดี ทำไปแล้วมันก็เดือดร้อนต่อภายหลังนี่คนที่เขามาทำให้เราโกรธก็มีสภาพเหมือนกันเขาคิดว่ามันดีเขาจึงทำแต่คนทุกคนจะเห็นว่าอะไรไม่ดีจริงๆแล้วไม่มีใครปรานาจะพึงทำน่าเห็นใจเขาที่เขาหลงผิดคิดไม่ชอบโดยความจริงการเป็นประกาศตัวกับคนอื่น าการตัวเป็นสเตรกับคนอื่นนี้เป็นเหตุทําความเล่าร้อนให้เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเหตุนํามาซึ่งความสุขมันเป็นปัจจัยให้สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแต่ว่านี้เขาหลงผิดเสียแล้วฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิแก้วเราเต็มใจในการให้อภัยกับคนประเภทนี้เขาอยากจะด่าก็เชิญเ้าด่าไม่ชอบใจเมื่อกันโกรดใจไว้ พราอยากจะด่าก็ด่าไปไม่เหนื่อยก็แล้วกันความโกรธยังมีไหมก็ต้องตอบว่ามีแต่ความโกรธมันช้าความโกรธมันเบาจิตให้อภัยเขาซะแลว้วเป็นเพราะเขารู้ไม่รู้จริงเป็นผู้รู้เท่าไม่ถึงการจริงๆเขาต้องทำอย่างนั้นดังนั้นในฐานะาที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระวิชิตมาร อันดับแรกเราโกรธแต่ยับยังไม่ตอบแทนเวลานี้เราก็เห็นจะโกรธบ้างแต่ว่าอย่าไปติดตามความโกรธเลยให้อภัยเข้าไปคนที่ด่าเราคนที่ว่าเราที่คนที่แ ก, กล้งเราเขาเข้าใจผิดเพราะว่าเขาไม่ใช่คนอิสระเขาเป็นทาสหรือเป็นทาสของกินเลตันหาวปาทานและกุศลกรรมในเมื่อเจ้านายใช้เขาก็ต้องทา รู้ว่าเขาเป็นคนโง่ไม่มีปรรัญญาเป็นเครื่องพิจรารณาเมื่อพิจรารณาอย่างนี้แล้วก็ระงับความโกรธเสียได้อย่าลืมนะบรรดาท่านพุทธบริษัทการพูดให้ฟังนี้เป็นการพูดเพียงแค่ ข, ข้อในการแนะนำเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะมาสอนกานละเอียดละอ่อให้ใช้ปัญญาพิจรารณาให้เห็น เราคิดว่าถ้าเรายังกโกรธจะพยายาบัตแล้วเราจะตายไหมล่ะล้วคนดีเขาทำให้เรากโกรธถ้าเราไปกโกรธเขาเข้าเราไปฆ่าเขาเขาตายถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ตายถ้าเราทําร้ายเขาเขาก็มีทุกข์ถ้าเราไม่ทําร้ายเขาเขาก็มีทุกข์มีทุกข์เพราะเขาขาดเพื่อนที่ดีไปคนหนึ่งคือเรา แทนที่เขาจะรับการสงเคราะห์เกิดกวนจากเราเราก็ต้องตัดความเป็นมิตรออกสรงเคราะห์เกิดกวนกับบุคคลที่เป็นศัตรูไม่ได้มันจะเป็นภายภายหลังเราก็ต้องทรงเวขาหยาอย่ยางไม้เขาจะอดเขาจะอยากเขาจะป่วยไขย้ไม่สบายเขาจะเป็นเขาจะตายก็ปล่อยเขาเราไม่ใช่คิดจะทํำร้ายเขาแต่ปล่อยเขาทรงสภาวะของเขาเองเพราะเขาอยากประกาศตนเป็นศัตรู เราให้อาภัยแต่ว่าไม่ให้การเกื้อกูลพราะว่าถ้าเกื้อกูลไปแล้วบางทีดีไม่ดีทําให้เขาตายเร็วขึ้นเขาเห็นคนเขาเห็นหน้าคนดีเขาไม่ชอบใจอาการไข้เขา อ, อาจจะสูงขึ้นกว่าใดดังนั้นในตอนนี้เราก็ต้องวางใจสบายๆที่เรียกว่าวางเฉยจิตพร้อมในการให้อาภายัยที่ทำอย่างนี้บรรดาท่าพุทธบริษัทท่านหลาย ขาช้างขาที่สามก็เคลียไปยังไม่หมดยังมีแรงอยู่บ้างแต่ก้าวช้าแล้วก้าวไปได้ไม่ไกลมันก็หยุดหยุดตอนที่เราให้อภัยทานเลี้ยวขาช้างขาที่สี่ที่องคสมเด็จพระพชิตแต่มารกล่าวว่าตัวหลงตัวนี้ต้องใช้ปัญญาทุกทั้งหมดนี้ใช้ปัญญาพิจารณาทั้งนั้นก็นั่งมานั่งคิดว่าโอโ๋หนอเรานี่ จะเป็นหลงในรูปสวยเสียงเพราะกินหอมรสอร่อยเพื่อประโยชน์อะไรสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีการทรงตัวเรามีมาแล้วเราก็แก่ไปทุกวันเราก็สุญส่งไปทุกวันเราก็ตายในที่สดุดสิ่งที่เราได้เข้ามามันก็ไม่มีการทรงตัวมันก็สุดก็ส่งลงปฐวันแล้วก็มีการสลายตัวไปในดีสด่สุดนี่ความร่ำรวยที่จะพึรวยเกิดขึ้น เรารวยแล้วเรารวยไม่ตลอดเพราะว่าถ้าเมื่อเราตายแล้วเราก็ไม่รวยเราจะมานั่งมัวเมาในทรัพย์สินการแสวงหาทรัพย์สินเกินพอดีเพื่อประโยชน์อะไรเพวเรานี่ตายลงไปทุกวันชีวิตตินทร์สีของเรานี้นั้นหมดไิทีวรนลชิ้นละชิ้นละชิ้นละชิ้ น, น, นไม่ชช่มันก็หมดตัวสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตายแล้วเราแบกไปไม่ได้เราหาความสุขจากการให้ทานดีกว่า นี่ก็มานั่งพิจารณาทั้งบุคคลที่เป็นประกาศตนเป็นศัตรูกับเราว่าคนระเมดนี้เขามาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเขากับเรารักกันต่างคนต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขเมื่อหากว่าเขากับเราเป็นศัตรูกันการเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็ไม่มีขาดแยกขาดมิจกัน เป็นอันุภารอาศัยพึ่งพาซึ่งกันลกันก็ไม่มีรวมความว่าจิตตัวนี้ที่จะทําลายความหลงทําลายไม่ได้จริงก็รามันนั่งพิจารณาว่าร่างกายของเรานี้นอกจากว่ามันจะตายแล้วที่เรามันหลงไหลฝ่ายฝันว่ามันเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่จริงพิจารณาแล้วเห็นว่ามันไม่ใช่เราจริงๆมันไม่ใช่ของเราจริงจริง มันเป็นสิ่งที่เรายืมมาจากกิเลสตัณหาอุปาทานและอุสุล ก, กรรมเท่านั้นอยู่ไปไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่เจ้าของเขาก็จะมาทวงคืนไปก็เป็นอันว่าเราไม่ควรจะมานั่งมัวเมาในขันห้าคึ้ร่างกายและทรัพย์สินของทั้งหลายในโลกเพื่อประโยชน์อะไรกําลังใจของเราจะมีความยุ่งยากในเมื่อเราลหลงไหลฝ่ายฝันในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ มันลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์งสมเด็จพระชินสีที่ท่านบอกว่าชาติปทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เชื้อราปทุกขาความแก่เป็นทุกข์พาระนำปทุกขังความตายเป็นทุกข์สโสกกะปริเทวทุกขโทมนัสสบายญายความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพัดพลาดแจกของรักของชอบใจเป็นทุกข์ เป็นอันว่าการเกิดมันทุกข์ถ้าเรยัติดอยู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็ต้องเกิดอีกแล้วก็ต้องมีทุกข์เพื่อความสุขที่สุดของเราเราขอวางภาระทั้งหลายเหล่านี้เสียบรรเทาความรู้สึกว่าสมบัติในโลกทั้งหมดเป็นเราเป็นของเราเสียจะตายเมื่อไรก็เฉื่ตายกําลังใจของเราไม่เดือดร้อนที่ต้องพัดพราก จ, จากของและของชอบใจ อย่างนี้ชื่อว่าเป็นการทำลายกำลังขาของช้างขาที่สีให้เพลียไปยังไม่ถึงกับตายอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองเวลาที่จะแนะนำแกบรรดาท่านพุทธบริษัทก็หมดเวลาเสร็จแล้วฉะนั้นต่อทีนี่ไปข้าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพยายามใช้ปัญญาพิจารณาตามบธรรมคําสอนของค์สมเด็จปัญินวร์ที่กล่าวมาในเรื่องของพระสกิทาคามี ตามสมควรจะเวลาที่ท่านจะพึงปรารถนาสวัสดี